บุกทูหกสิบเอดอิกเซ็อิกลำดับเลขกรมสูชักสังขยาครมสูชักสังขยาเดือนแรกคือเดือนมกราคมปพศละมหินาจันวร์ เดือนที่อนกคือเดือนมีราคม เดือนที่สี่คือเดือนเมษายนชัทามหินาอปเฮชานอเฮเดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมปัจไมจว่ามหินาไมเฮเดือนที่หคือเดือนมิถุนายนชัตตหินา जून है รอชั้นที่ห้ามีนาจูนเหดือนคือครึ่งปีหกเดือนคือคाึ่งปีหกเดือนคือครึ่งปีห र ्ดือนคือ่อคงปีหกนคือคร व र ง่หกอหกรคกนีนครร เฟอร์บีมาร์เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน April, m ม y ถุ June เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมสถวามาฮินาจุลยัยเหตสถวามาฮินาจุลยัยเหต เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมแปดวามหินาอเกสต์่าเเดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน9ก้าวมหินาสิทัมบรหิสเเดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม ด, ด, ดัศวะมห t นาอคตูบร์เฮดอคตเดือนที่สิบเอดคือเดือนพฤศจิกายนยารวะมหีนานร์เฮยวะมเบรเดือนที่สิบสองคือเดือนทันวาคมบารวะมหีนาดิสัมบร बारहवां महीना दिसंबर है। सिंबल दर्शन की एक बी ब महीनों का ए वर्ष होता है। बारह महीनों का एक वर्ष होता है। कर्क दाखम सिंहाकम गणयायन जुलाई अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त ั ต, ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมอกตูเบนวิมบอร์ดิสเมบต بر, นบิดมร์